ลุกขึ้นไปอย่าไปกราบที่พื้นตั้งก็อยี้ไว้เพื่อจะไม่ให้มือเราโดนพื้นะนะผิดวัตถกประสงค์ยุคนี้ก็ต้องระวังนะฝึกตัวเองให้เคยชินเราก็ต้องระวังเรื่องมือเรา จ, จับน้อนจับนี้ ย่วงพ่อให้นั่งเก้าอี้เพื่อเราจะได้ไม่แตกพื้นได้เคยชินเอาไว้เราไม่รู้ว่ามันจะระบาดอีกหรือเปล่าก็าป้องกันตัวให้เคยชินเอาไว้ก่อนยังไม่ถึงเวลาห้านาทีภาวานาไป หายใจไปรู้สึกตัวไปก็ยังดีบางคนถามหลวงพ่อว่าเมื่อไรจะเปิดวัดนะก็เปิดมาตั้งหลายวันแล้วตั้งแต่วันที่หนึ่งสิงหาเปิดแล้วแต่เปิดแบบศูนย์การค้าหรือร้านอาหารนะเปิดได้แต่ว่าให้เว้นระยะใส่แมส ระวังเรื่องมืองเราเรื่อตอนนี้วัดเปิดแล้วนะไม่ใช่ปิดในเมืองไทยทีมงานสาธารณสุขแลก็รัฐบาลนะจัดการได้ดนะีไม่มีการติดเชื้อในประเทศมาส่งเดือนกว่าแล้ว แต่ต่างประเทศนะั้นหนักหนาสาหัสนะรอบเราบ้านเรานะี่อินเดียในพวกนี้อินเดียอินโดปากีสถานนะยังหนักอยู่เราก็ต้องระมัดระวังนะฝึกตัวเองให้มันเคยชินตัวที่จะช่วยเราได้มากก็เรื่องสตินะนะั่นแะพอขาดสติแล้วก็ ล่วงแค่แก่เกาอะไรไปเรื่อยๆแล้วมีสติไหมปลอดภัยพูดถึงสติน ะ, ะสำคัญมากเป็นธรรมะพระพุทธเจ้าท่านบอกสติกับสัมมชัญญาเป็นธรรมะที่มีอุปการะมากสงคคราะห์เราช่วยเหลือเราได้มาก สัมพันัญญาเป็นตัวปัญญาเบื้องต้นที่จะทำให้เรารู้ว่าเราควรจะทำอะไรตอนนี้เราควรจะทำอะไรอะไรเหมาะกับเราเรารู้แล้วเราก็ไม่หลงไม่เผลออย่างเรารู้ว่าสิ่งที่เราควรปฏิบัติด้วยปัญญายยิ่งเพื่อจะได้บรรลุมรรคผลนิพพานพ้นทุกข์อะไรเนะี คือสมถากัมภันท์กิริยปสนากรมารมฐารออนเนี่ยเรารู้ว่าสองอันนี้มีสาระแก่นสารมีประโยชน์มากเราก็ฉลาดมากกว่านั้นอีกเนี่ยสมถะที่ว่าดีมีประโยชน์นีเราหมอกับกรรมฐานแบบไหนในเวลาจะทําสมถะถ้าเรารู้ได้ก็เรื่องเราฉลาดมีสัมพัชัญญามีปัญญา เวลาเราจะทำวิปัสสนาเนี่ยเราควรจะใช้กรรมฐานอะไรจะต้องรู้สังเกตตัวเองเอาสมัยที่หลวงพ่อไปเรียนกับหลวงปูดุลเข้าไปกราบท่านบอกหลวงปู่ครับผมอยากปฏิบัติหลวงปูดนลไม่พูดะไรท่านนั่งหลับตางเงียบๆนะเกือบชั่วโมง ลืมตามาแล้วท่านก็สอนท่านสอนแต่ละคนไม่เหมือนกันสอนหลวงพ่อให้ดูจิตเอาเลยอันนี้ท่านมีความสามารถพิเศษนะแล้วท่านมีเวลาอย่างคนคนหนึ่งนะท่านดูร่วมชั่วโมงแล้วก็จะบอกเราว่าเราให้ทำกรรมฐานอย่างนี้อย่างนี้ถ้าเราทำตามที่ท่านบอกนะเราเจริญอย่างรวดเร็ว เราดือไปทําอย่างอื่นทำไงก็ไม่ได้ผลนะี่ครูบาอาจารย์อย่านี้หลวงพ่อเห็นมีแต่หลวงปูด่ดนะุละองคอื่นท่านก็เคยสอนอยังไงเคยภาวนามายางไงท่านก็สอนอย่างนั้นส่วนใหญ่นี่เราไม่มีครูบาอาจารย์จะมานั่งเฝ้าให้เรานะยังหลวงพ่อมาเฝ้าพวกเราไม่ไหวมาเรียนทีหนึ่งเป็นรอ้อยๆนะเอาเวลาที่ไหนไปนั่งดูให้ทีละคน หลวงพ่อเล้พยายามมาสอนหลักของการปฏิบัติให้เราอย่างการเลือกอารมณ์ของสมถะกรรมฐานเนี่ยเราต้องดูว่าสติเราเลืกรู้อารมณ์ชนิดไหนแล้วจิตใจมีความสุขเราก็จะใช้อารมณ์อย่างนั้นเราดูตัวเองสมถะกรรมฐานเนี่ย อารมณนะ์นะสารภาพจะใช้ได้อารมณ์บัญญัติอย่างพวกคําบริกรรมทั้งหลายอะไรเนะี่ยหรือการคิดพิจารณาผมคนเล็บกันหนังอะไรนะีอันนี้เป็นอารมณ์บัญญัติเป็นเรื่องที่คิดพุทธานุสติธรรมาโนุสติสังขาโนสติมรณนาณนุสติพิณาความตาิก็เรื่องความคิดศนะีลานุสติ ก็ความคิดคิดเรื่องศีลที่เรารักษาแล้วได้ดีอย่างเรารักษาศีลได้ดีตลอดพัรษ า, าเราไม่กินเหล้าตลอดพรรษาพะพ อ, อภพรรษาเราคิดเรื่องเราไม่กินเหล้าเรามีความสุขแล้วมันอิ่มอกอิ่มใจสมาธิมันจะเกิดนั่นเราดูตัวเองไปอารมณ์บัญญัติเรื่องราวที่คิดก็ได้ อารมณ์ประมาทคือดูรูปดูนามก็ได้อย่างเราดูจิตของเราเนี่ยให้เป็นสมถะก็ได้ดูกายให้เป็นสมถะก็ได้เรยจะใช้อารมณ์นิพพานก็ใช้ทำสมถะได้สำหรับท่านที่เคยเห็นพระนิพพานมาแล้วปุถุชนทำไม่ได้งั้นอย่างพวกเราก็ตัดนิพพานออกไป เราอย่างเป็นผู้ทุชนกันอยู่อารมณ์ที่เราใช้ทำสมถะนะก็มีอารมณ์บัญญัติคือเรื่องเราที่คิดแล้วก็รูปธรรมนามธรรมนีใช้ทำสมถะได้อย่างเราเราดูท้องพองดูท้องยุบอนะไรเงี้ยหรือเรารู้ลมหายใจอ่าลมหายใจมันก็เป็นตัวรูปนะทำความสงบเข้ามาได้เลยดูสุขดูทุกข์นะ ดูดีดูชั่วดูจิตนะก็เป็นสมถะทำสมถะได้เนี่ยเราต้องมีปัญญาสังเกตตัวเองว่าเราอยู่กับอารมณ์อันไหนแล้วมีความสุขอย่างหลวงพ่อนะไม่ใช่คนเก่งหรอกแต่คงจะมีบุญตอนเด็กๆ เ, เข้าไปหารูปาอาจารย์องค์แรกคือท่านพ่อหลี กรรมฐานที่ได้มาจากท่านพาระดีคือหายใจเข้าพุธหายใจออกโทแล้วมันเป็นกรรมฐานที่หลวงพ่อทําแล้วมีความสุขมันสอดคล้องกับจลิญญาสัยหายใจเข้าพูธหายใจออกโทอะไรเงี้ยทาแล้วมีความสุขทุกวันนี้ก็ยังทําอยู่ตอนนอนก็ยังหายใจเข้าพูดหายใจออกโทไปเรื่อยๆบางทีเรไม่นอนเอาเลยนะ ยันเช้าใจมันสว่างสบายเราค่อยมาง่วงตอนบ่ายๆนี่เราดูตัวเองนี่พวกเราได้ยินว่าหลวงพ่อหายใจเข้าพุดให้หายใจออกโธเราอยามาทําอย่างหลวงพ่อบางคนทําแล้วอื่นอดัดไม่สบายอื่นอดัดบุบหงิดอันนี้ยอย่าทาไม่เหมาะกับเรา เราไปเลือกดูเราจะอยู่กับอารมณ์กรรมฐานชนิดไหนแล้วจิตใจมีความสุขเราก็เลือกอารมณ์กรรมฐา น, นนั้นน่ะแหละไปสารวจตัวเองไม่มีใครมาดูให้เราละลายในยุคนี้มีก็หลอกหลอกเรานะพวกหลอกหลอกมันเยอะนะต้องระมัดระวังไว้นี่มนเมื่อวานก็มีมาเล่าให้ฟัง ว่ามีคนคนหนึ่งชอบชอบนั่งสมาธิแต่มันเป็นมิจฉาสมาธิแล้วพอรู้พอเห็นอะไรขึ้นมาก็เที่ยวทักจิตของคนอื่นผิดบ้างถูกบ้างอะไรมั่วๆไปเรื่อยๆเจตนาเพื่อให้เขาเริ่มใสจะได้รับผลประโยชน์นเจตนาเป็น มีชาติทิฏฐิเจตนาชั่วไม่ถูกอีแล้วก็มาอยู่เนี่ยมาพลุนเปยนพลุนเป็นอยู่แถวนี้หลวงพ่อไร่ไม่ให้มาสอนไม่ให้มาทักใครในวัดนี้เนะพราะมันมั่วแล้วก็มันทําให้คนเนี่ยติดพระพุทธเจ้าสอนให้เราพึ่งตัวเองไอ้นี่เราจะต้องคอยมาพึ่งคนที่บอกว่าจิตเราตอนนี้เป็นยังไงสติไม่เกิดนะ สติของเราจะไม่เกิดเลยสติจะเกิดได้ทต่ว่าจิตเราจำสภาวะได้ด้วยตัวของเราเองอย่างเราเป็นคนขี้โมโหเราดูจิตที่โมโหไปเรื่อยๆนะพอมันโมโหขึ้นมาต่อไปพอโมโหปุ๊บสติจะเกิดเองเลยนะต้องฝึกเอาเองไม่ใช่ให้คนอื่นมาบอกนะอนนี้มาหลอกหลอให้เขาเลิ่อมใ ส, ใสแสวงประโยชน์ไป ได้ผลมรโยชน์ได้อาหารได้เงินได้ได้กินนื้ไนไะ้เหมือนกินถ่านไฟแดงๆกินเหล็กเผาไฟทุกวันทุกวันกินของสกครกเข้าไปแตอนนี้เวลาจะตายทุรนทุรายครุ้มคลั่งใครๆก็ช่วยไม่ไหวเราพยายามนะพยายามฝึกตัวเราเอง อย่าหลอกตัวเองอย่าหลอกคนอื่นดูตัวเองไปอย่างได้ยินมาหลวงพ่อรรอานาปานสติพวกเราไม่จำเป็นต้องทำอานาปานสติอย่างหลวงพ่อนะสังเกตตัวเองอย่างบางคนนะรับพระพุทธเจ้ามากคิดถึงพระพุทธเจ้าเรื่อยๆคิดถึงความดีของท่านเรื่อยๆแล้วมีความสุขเนี่อันนี้ก็ใช้ทำสมถะได้ หรือเราคิดถึงคนซึ่งดีๆอย่าเราคิดถึงในหลวงองค์กรนะองค์กรท่านดีมานานหลายสิบปีเจสิบปีนะคลองลากทำประโยชน์เยอะเรานึกถึงความดีของท่านไดยนะท่านช่วยพัฒนาชนบทช่วยคนยากคนจนอนะไรเงี้ยช่วยหาแหล่งน้ำเอาไว้เลี้ยงประชาชนเนะียนึกถึงความดีของท่านล้วมีความสุขนะ ใจเราก็ได้สมาธิหรือเรานึกถึงหลวงพ่อคูณจำหลวงพ่อคูณได้ไหมท่านชอบนั่งยองๆเห็นไหมพูดกูพูดมึงอะไรอเงี้ยเห็นท่านแล้วเราอารมณ์ดีมีความสุขเรานึกถึงท่านใจเรามีความสุขมันกไ็ได้สมาธิขึ้นมาสมาธิชนิดที่หนึ่งนะเกิดจากการใช้อารมณ์ที่มีความสุข ก็คือสมาธิชนิดที่จิตสงบจิตสงบ้เราไปดูตัวเองนะเราอยู่กับอรมันไหนและมีความสุขหลวงพ่อนะเมื่อก่อนเนี้ยใครเชิญไปงานต่างๆเนะี้ยบางงานก็ไปด้วยความจำใจบางงานไปด้วยความเต็มใจ งานที่ไปด้วยความจำใจงานแต่งงานเพื่อนจะแต่งญาติของเพื่อนจะแต่งหรือญาติเราจะแต่งนะเชิญไปร่วมงานเราเร็จมากเลยมันหลงไปอยู่ท่ามกลางความหลงไม่ได้อยากไปเลยไปแล้วไม่มีความสุขแต่ถ้าไปงานศพจิตใจจะเบิกบาน ไม่ได้เป็นโรคจิตนะเห็นคนตายแล้วมีความสุขนะแต่ว่าเวลาไปงานศพเนี่ยใจมันเข้าใจความเป็นจริงของชีวิตมากขึ้นเวลาไปงานศพนะจิตใจมันไม่ฟุ้งซ่านมันพิจารณาไปเ น, นี่ยเดี๋ยวคนนี้ก็ตายต่อไปเราก็ตายเหมือนเข้าแหละอะไรอย่างเงี้ยพิารณาใจเราก็มีความสุขมีความสงกุก อย่นี้ยกว่ามารณานุสติตามระลึกรู้ความตายไปเรื่องเอาไปดูของตัวเองเอาแต่ว่าบางคนบอกว่าได้ด่าคนอื่นแล้วมีความสุขอันนี้ไม่เอานะอันนี้เป็นความสุขที่เจือโทษไม่ดีเรื่องเอากรรมฐานที่พระเช้เจ้าสอนไว้ในเรื่องของสมถกรรมฐานสี่สิบข้อ ไปถามพระอาจารย์ Google ดูกรรมฐานสี่สิบนั้นพระอาจารย์จะตอบให้เราไปลองดูอันไหนเหมาะกับเราอันไหนเราทำแล้วจิตใจมีความสุขก็ ม, มีความสุขปุ๊บสมาธิมันจะเกิดเลยอย่างเมื่อก่อนมีผู้หญิงคนหนึ่งนะเขาจะมาส่งกันบ้านแต่เดิมเขาได้ยินหลวงพ่อพูดเรื่องหายใจเข้าพูดออกโทรเขาพยายามพูดโทรบ้าง เขาไม่มีความสุขเลยพุโทโธไม่มีความสุขสวดมนต์ก็ไม่มีความสุขเขาไปที่ยินบทสวดสารเสริญเจ้าแ ม, ม่กวนอิมภาษาจีนะนะนั่มโมอะไรนะจำได้ปะตายชื้อตายปุยคิวโูคิวหลังมนะันบอกแม่ใจมันชอบ ก็มาถามหลวงพ่อว่าใช้บทนี้ได้ไหมบริกรรมด้วยบทนี้ได้ไหมบอกได้ใจมันชอบเวลาใจมันมีความสุขอยู่ในอารมณ์ชนิดไหนแล้วมันจะไม่หนีร่อนเร่ไปที่อื่นมันจะสงบสุขนันแหละจะได้สมถะงั้นเราต้องมีปัญญานะมีสัมปชัญญะรู้ว่าเราควรใช้สมถะอะไรแล้วเราก็ใช้เมื่ อ, อยามจำเป็นสมควรทำสมถะ ตอนไหนเราก็ทาตอนนั้นนะมีปััสนาก็าเหมือนกันเราก็มาดูเราถนัดรู้อะไรถนัดรู้กายหรือถนัดรู้เวทนาหรือถนัดรู้จิตอะไรเงี้ยเลือกเอาสังเกตเอานะทำมาไหนแล้วนะสติเกิดคล่องแคล่วว่องไวนะจิตใจตั้งมัน่นเป็นผู้รู้ผู้ดูสติคล่องแคล่ว สภาวะนั้นเกิดเห็นปักเลยแล้วตัูเอาเองอย่างหลวงพ่อไปเกียนไหลวงพู่ดูลนะท่านหลับตาอยู่เกือบชั่วโมงแล้วท่านก็สอนหลวงพ่อท่านไม่สอนสมถะเพราะหลวงพ่อได้สมถะามาตั้งแต่เด็กแล้วท่านพอหลีสอนให้ท่านสอนให้หลวงพ่อดูจิตไปเลยนั้นกรรมฐานที่ท่านสอนหลวงพ่อคือการดูจิต แต่ไม่ใช่พวกเราทุกคนต้องดูจิตอย่างของพ่อนะจุดสาคัญต้องดูตัวเองนะว่าเรารู้อะไรเราเห็นไตรลักษณ์ง่ายอย่างรู้กายเราเห็นไตรลักษณ์ง่ายเราก็ใช้กายรู้เวทนาเราเห็นไตรลักษณ์ง่ายเราก็รู้เวทนารู้จิตที่เป็นกุศลอกุศลแล้วเราเห็นไตรลักษณ์ได้ง่ายเราก็เอาเอาดูจิต ที่เป็นกุศลอกุศลนะั้นแะสำรวจตัวเองนะค่อยๆสังเกตไปอย่างบางคนดูจิตไม่ได้ดูจิตไม่ได้ก็ไม่ต้องไปดูมันดูกายไปเห็นร่างกายมันยืนเดินนั่งนอนจิตเป็นคนดูเห็นร่างกายหายใจจิตเป็นคนดูเห็นร่างกายเคลื่อนไหวร่างกายหยุดนิ่งจิตเป็นคนดู ดูไปดูไปก็เราก็จะเห็นนะร่างกายนี้มันไม่เที่ยงนะมันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเลยเดี๋ยวก็หายใจเข้าเดี๋ยวก็หายใจออกเดี๋ยวก็ยืนเดี๋ยวก็เดินเดี๋ยวก็นั่งเดี๋ยวก็นอนนะเดี๋ยวก็หักขยับมือขยับเท้านะสายหน้ากระพริบตาอ้าปากอะไรอนะนะย่างเงี้ยกระยุกก็ยิกก็ะยกก็ะยึกไปนะนี่เรามีสติรู้ความเคลื่อนไหวของร่างกาย ด้วยจิต ท, ที่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูจิตกับกายเป็นคนละอันกันนะร่างกายเคลื่อนไหวจิตเป็นคนดูอย่างนี้เรีย่าเราทำมิปัสสนาละทำแล้วเราเห็นวอาร่างกายมันไม่เที่ยงเนาะทำไมมันไม่เที่ยงร่างกายมันทำไมต้องเคลื่อนไหวเพราะร่างกายนียถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาจริงหรือไม่จริงไม่ต้องถามหลวงพ่อ ไปดูด้วยตัวเองว่าร่างกายเราถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาจริงหรือไม่จริงลองหายใจเข้าแล้วไม่หายใจออกสิทุกข์หรือสุขหายใจออกแล้วไม่หายใจเข้านะทุกข์หรือสุขนั่งเฉยๆไม่กระดุกระดิกเลยทั้งวันนะทุกข์หรือสุขนะไปซื้อกี่ยี่ตัวละแสนมานั่งนะกาว่ามีความสุขไม่นานก็ต้องกระดุกระดิกแล้ว ร่างกายมันทุกข์เราต้องขยับตัวเพื่อนหนีความทุกข์เนี่ยค่อยๆรู้ลงมาในร่างกายจะเห็นความจริงของร่างกายร่างกายเต็มไปด้วยความไม่เที่ยงนะเคลื่อนไหวไปตลอดเวลาเลยทำไมมันต้องเคลื่อนไหวเพราะมันทุกขนะ์มันทุกข์ความทุกข์นันบีบคั้นร่างกายนี้อยู่ตลอดเวลาหรือบางคนดูร่างกายนะั่นก็เห็นนะร่างกายไม่ใช่ตัวเราร่างกายเป็นวัตถุธาตุ เป็นสมบัติของโลกวันหนึ่งเราก็ต้องคืนโลกไปอยเวลาหลวงพ่อไปงานศพน้ํางทีเราก็เห็นมีปัญญาทะลุลงมาในร่างกายตัวเองอีกหน่อยก็เหมือนคนที่นอนอยู่ในโรงร่างกายนะก็ต้องคืนให้โลกเป็นสมบัติของโลกไม่ใช่สมบัติของเราตัวนี้เรียกว่าเราเห็นอนัตตาเราสารวจตัวเองนะว่า ถ้าเราดูกายแล้วเห็นอ น, นิจจังหรือทุกขังหรืออนัตตาเราก็ดูกายนะดูแล้วเห็นไตรลักษณ์ได้ก็เอาบางคนดูกายไม่ได้นะชอบดูเวทนาเวทนามีสองส่วนคือ เ, เวทนาทางกายกับเวทนาทางใจเวทนาทางกายเนี่ยจะทำได้ถ้าเราส่งสมาธิ สรงสมาธิได้อย่างดียิ่งทรงฌานได้เนะี่เอาจากฌานมาแล้วมาดุเวทนาในร่างกายนะี่ม่จะดูได้ดีแต่อย่างพวกเราเข้าฌานไม่เป็นเราไปดูเวทนาของร่างกายนะมันทนไม่ค่อยไหวนะมันทนความเจ็บปวดไม่ไหวอย่างสมัยก่อนครูบาอาจารย์ท่านเล่านะ ท่านไปฉันนั่งสมาธิท่านตั้งใจจะนั่งสมาธิที่แคล่ตัวเนี้ยอยู่ที่แคล่รู้จักแคล่ไหมแคล่ใครไม่รู้จักยกมือซิมีไหมไปดูก o เกิลจำไว้ก่อนอะพอท่านตั้งใจจะนั่งสมาธิที่แคล่เนี้ยต้รุ่งขึ้นไปนั่งะ ปรากดว่าไอ้แคร่มันเป็นแคร่ไม้ไฟนั่งกดลงไปเนี่ยมันแยกตัวออกไปเสร็จแล้วมันหนีบก้นท่านเนะหนีบก้นเนเจ็บนะแต่ท่านตั้งสัจจาวนะ่าแล้วถ้านนั่งโต้รงท่านก็นั่งจริงๆเจ็บยังไงก็ทนมานั่งโตรงทรมานมากเลยทาไมท่านทนไหวจิตท่านทรงสมาธิ ช่วงไหนที่เจ็บทรมานมากๆนะจิตมันจะทำสมาธิออกมาเองมันก็ไม่เจ็บจิตมีกำลังของสมาธิคุ้มครองร่างกายอยู่จิตถอยออกมานะท่านก็ดรกูร่างกายนี่ร่างกายนี้ไม่ใช่ของดีของวิเศษนี่ยท่านภาวนาอย่างนี้นหรือบางองค์ท่านชอบนั่งขัดสมาธิเพชรรู้จักขัดสมาธิเพชรไหมใครไม่รู้จักยกมือซิมีไหม มีนะแต่บอกเดี๋ยวจะไปถาม o o เกิลไม่อยากยกมืออายเขานั่งขัดสมาธิเพดไหวอย่างนี้นะปวดนั่งแล้วปวดมากมากเลยหลวงปูสิมนะท่านชอบให้นั่งขัดเพดอันนี้นั่งขัดเพดเวลาไปนั่งฟังเทศท่านเราจะรู้สไตล์ท่านเราพ่อ่าจะนั่งขัดเพด ท่านเทศชั่วโมงหนึ่งเราก็นั่งชั่วโมงหนึ่งแทบเป็นแทบตายก็ทนเอาอดทนเพรตั้งใจแล้วต้องทำให้ได้ตั้งใจแล้วต้องทำให้ได้ไม่ถอยมีครั้งหนึ่งเคยพาเพื่อนเพื่อนกันเรียกว่าเพื่อนเป็นนะค่ความจริงแก่กว่าหลวงพ่อทางนั้นเป็นเพื่อนร่วมรุ่นสถาบันจิตวิทยาความมั่นคงหลวงพ่อนั้นเด็ก เกือบที่สุดในรุ่นมีอีกคนหนึ่งทะนะ่านเด็กกว่าหลวงพ่อมีคนเดียวนอกนั้นแก่ๆใกล้กเกษียณไปเชียงใหม่ก็พากันขึ้นไปหลวงพ่อก็อชวนขึ้นไปถ้ำผาปลองไปถึงก็หลวงพ่อเดินเร็วขึ้นขึ้ น, ข, นขึ้นไปไปถึงถ้าก่อนตอนนั้นถ้าทำลุกลงปิดละเหมือนประตูตึกแถว เป็นลุกกลงมองทะลุเข้าไปได้เห็นมีกรดกลางอยู่หลังหนึ่งในที่ที่หลวงปู่สิมท่านนั่งประจำํำเราก็สงสัยหลวงปู่อยู่ที่ไหนเนี่ยมีพระเดินผ่านมานะถามหลวงปู่อยู่ไหมองอยู่อยู่ที่ไหนครับอยู่ในกรดเราก็ฟังแล้วงงมากหลวงปู่อยู่ในกรดเหรอหนะลวงพ่อเป็นคนหูไวตาไวหนะลวงปู่อยู่ในกรดทําไมเราไม่เห็น พอทีมทั้งทีมแก่ๆเขาตามขึ้นมาทันท่านก็ออกจากกรดมาเอาอยู่ในนั้นจริงๆแต่เรามองอยังไงก็ไม่เห็นนะมองด้วยตาเนื่ยก็ไม่เห็นนะมองด้วยมโนภาพอะไรก็ไม่เห็นนะมองไม่มองไปไม่ถึงท่านออกมาแนละ้ว่านก็ล้วงกุญแจมนาะยิ้มหวานออกมาเลยบอกหลวงพ่อว่าเนี่ย ขึ้นเขามาเหนื่อยเหนื่อยหลว ง, งปู่ก็เลยให้นั่งพักก่อนให้หายเหนื่อยทีมที่ตามมาันทีหลังยังเหนื่อยอยู่นะท่านไม่สนใจละเสร็จแล้วก็ท่านจะเทศให้ฟังท่านบอกให้นั่งขัดเพ็รทุกคนนั่งท่านเทศไปห้านาทีก็เริ่มมีคนถอยออกไปแล้ว สุดท้ายเหลือหลวงพ่อกับพี่คนหนึ่งพี่คนนี้แก่แก่วัดอยู่การไฟฟ้าภูมิภาคนั่งได้สองคนท่านเทศเทศเทศไปนนเสร็จแล้วท่านบอกเอาละพอแล้วสมาธิแตกกันหมดแล้วเสร็จแล้วท่านก็ถามง่ายนั่งขัดเพชรเป็นยังไงบ้างพี่คนนีกแดี๋ตอบ ปวดครับปวดขาครับหลวงปู่ถามขามันบอกว่าปวดแล้วนี่ท่านสอนแล้วนะขามันไม่ใช่ตัวเราหรอกขามันไม่เคยบ่นเลยไอคไ้คนที่บ่นอ่ะไม่ใช่ขาคนที่บ่นนั่นคือจิตท่านแทนทห้ท่านจะบอกตรงๆนะ ท, ท่านบอ ก, นะ ท, บอกท่านถามกลับมาประโยคเดียวว่าขามันบอกว่าป ว, าปวดเหรอ หลวงพ่อฟังปุ๊บนะเราหายปวดเลยจิตใจเบิกบานพี่เขาก็บอกปวดจริงๆครับผมไม่หลอกหลวงปู่หรอกครับ <c oughs> กายไม่เข้าใจนะกายยังปวดอยู่งั้นอย่างถ้าเราตั้งสัจจาแล้วนะว่าตราบใดที่หลวงปู่ยังเทศอยู่เราจะนั่งขัดเพชรนะถ้าท่านเกิดเทศโตรุ่งเราก็ต้องต้องนั่งโตรุ่งนะเพราะนเวลาตั้งสัจจาอย่าตั้งส่งเด่น ตั้งในขอบเขตที่เราทำได้เนี่ยเราต้องเลือกนะกรรมฐานเราจะใช้อันไหนอนะไรเงี้ยดูตัวเองดูเวทนาเนี่ยถ้าจิตไม่ส่งสมาธิจริงๆนะดูเวทนาทางกายไม่ได้หรอกนะอย่างมันมีคนต่างชาตินะกลัวอนาอนะไรนี้ยเขาสอนอนาปานสติก่อน ก่อนที่จะมาดูเวทนาของกายเขาสอนอานาปนาสติก่อนถ้าทําอานาปนาสติไม่ได้เสลอไปดูกายนะไม่ไหวหรอกเดี๋ยวก็สติแตกทนไม่ไหวก็ได้แต่ทนเอาตัวเน า, เนามันไม่ได้ปัญญาสิ่งที่ได้คือขันติไม่ใช่ได้ปัญญาคนละเรื่องกันแต่ถ้าจิตสรงสมาธิจริงๆมันจะได้ปัญญาเงื่อนไขมันต่างกันนี่ถ้าเราดู เวทนาทางกายดูไม่ไหวหลวงพ่อแนะนําให้ดูเวทนาทางใจเวทนาทางใจไม่ต้องเข้าฌานยังขณะเนี้ยใจเราสุขหรือใจเราทุกเราก็แค่รู้ไปมตอนนี้มีความสุขรู้ว่ามีความสุขตอนนี้มีความทุกรู้ว่ามีความทุกขตอนนี้มันเฉยเฉยรู้ว่ามันเฉยเฉยแค่นี้แหละเฝ้ารู้เฝ้าดูไปเราก็จะเห็นเลยความสุขเกิดขึ้น เราไม่ได้เจตนาให้เกิดเลยอยู่ๆมันก็เกิดได้เองแล้วมันอยู่เราอยากให้มันอยู่นานๆมันก็อยู่ไม่ได้มันก็ดับเองเราควบคุมไม่ได้ตัวนี้เรียกว่าเห็นอนัตตานะหรือทีแรกเราเห็นใจเราเฉยๆอยู่มาความสุขผุดขึ้นมาแล้วความสุขก็ดับไปอะไรเนี้ยเนี่ยเราเห็นอนิจจ์เนี่ยดูอย่างนี้ก็ได้เห็นอนิจจงก็ได้เห็นอ น, นัตตาก็ได้ ดูให้เห็นทุกขังยากถ้าจะดูให้เห็นทุกขังของนามธรรมโดยเฉพาะของตัวจิตผู้รู้เนี่ยต้องทรงฌานไมงั้นดูไม่ได้สติแตกเหมือนกันเพราะว่าเวลาเราพาวนาชนมันทวนทว น, ทว น, ท, วนทวนเข้าจนถึงตัวจิตผู้รู้แล้วนะมันวางโลกธาตุว่าทุกสี่ทุกอย่างหมดแนะมันทวนเข้ามาถึงตัวผู้รู้แล้วเนี่ยแล้วตัวผู้รู้กลายเป็นตัวทุกข์ขึ้นมานะมันทุกข์ไม่มีอะไรเหมือนเลยนะ มันทุกข์ยิ่มกว่าที่ร่างกายเคยทุกอีกงั้นถ้าจิตไม่ได้ทรงสมาธิอยู่เนะียสติแตกทนไม่ไหวงั้นเวทนานะยังไงมันก็หนีสมาธิไม่พ้นหรอกแต่ถ้าเราทําสมาธิไม่ได้เราก็ดูเวทนาธรรมดาเนี่ยไม่ต้องไปดูถึงเวทนาของตัวจิตผู้รู้หรอกดูเดี๋ยวสุขก็รู้ทุกข์ก็รู้เฉยๆก็รู้ดูไปเรื่อยๆ ไม่ใช่เรื่องยากอะไรนะหรือเราจะดูจิตก็ได้ถ้าเราเป็นคนขี้โกรธเราก็ดูไปทั้งวันในจิตมีสองอย่างเองจิตที่โกรธกับจิตที่ไม่โกรธนะทั้งวันมีอยู่แค่เนี้ยถ้าเราเป็นคนขี้โลภเดี๋ยวก็โลภเดี๋ยวก็โลภนล้วเราก็ดูทั้งวันมีสองอย่างจิตโลภ ก, กับจิตไม่โลภเราเป็นคนฟุ้งซ่านใจลอยขี้หลงอนะไนั้ ทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะเช่นหายใจเข้าพูดออกโทอะไรเงนะี้ยแป๊บเดียวนะจิตก็หนีไปคิดเรื่องอื่นแล้วไม่คิดพุทโทนะนะนะแล้วเนี่ยเราก็ใช้ตัวหลง ม, มาทำกรรมฐานนะแต่อาศัยลมหายใจอาศัยพุทโทอาศัยอนะไรเนี่ยเป็นกำลังช่วยเพราะตัวโมหะเป็นตัวที่ดูยากนะราคาโทสามดูง่ายกว่างนั้นถ้าเราขี้โกรธนยะเราก็ดู จิตเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็ไม่โกรธอันนี้แสดงความไม่เที่ยงจิตจะโกรธเราก็ห้ามมันไม่ได้โกรธแล้วจะสั่งว่าอย่ากโกรธก็ไม่ได้อย่างเราเสียใจ อ, อกหักนะสามีทิ้งไปเรา อ, อกหกเราเสียใจเพื่อนก็มาปลอบอยากเสียใจไปเลยเนี่ยเพื่อนไม่ได้ทำกรรมฐานเพื่อนนึกว่าบอกอย่างนี้ก็หายเสียใจได้จริงๆสั่งไม่ได้ นะมันจะเสียใจยังไงมันก็เสียใจเหมันเป็นอนัตตาสั่งไม่ได้เนี่ยเราเฝ้ารู้เฝ้าดูลงไปเลยจิตเราจะโกรธจะเศร้าหมองอะไรเนงะี้ยห้ามไม่ได้สั่งไม่ได้นี่คืออนัตตาเนี่ยเราสังเกตตัวเองว่าเรารู้กายหรือรู้เวทนาหรือรู้จิตนะแล้วเราเห็นไตรลักษณ์ได้ง่ายเราใช้อันนัตและในการทำํำมิปัสสนากรรมฐาน ไม่ต้องมาทำหลวงพ่อนะหลวงพ่อดูให้ไม่ไหวหรอกสังเกตตัวเองช่วยตัวเองให้มากมากหน่อยเนะี่ยพยายามฝึกตัวเองนี้ทุกวันทุกวันไปนะชีวิตเราก็จะรุ่งเรืองขึ้นเรื่อยๆคุณงามความดีที่ไม่เคยมีมันก็จะมีขึ้นนะความชั่วที่เคยมีอยู่มันจะค่อยๆลดค่อยละไปนะเพราะเราได้ปฏิบัติธรรมตอนไหนควรเจริญมิปัสสนาได้ มีกำลังพอเราก็ทำวิปัสนาทำาวิปัสนาไม่นานหรอกกำลังก็จะหมดจิตก็ไม่มีแรงเราก็มาทำสมถนะสลับกันไปอย่างเนี้ยส่วนใหญ่อาจจะเป็นการทำสมถนะแล้วก็มีกำลังขึ้นมาเดินปัญญาได้นิดหน่อยได้ทีละนิดทีละนิดนะแต่อย่าดูถูกนะปัญญาทีละนิดนะตอนที่อริยมรรคเกิดเนี้ย โลกุตระปัญญาเกิดคณะจิตเดียวเท่านั้นเองนิดเดียวไม่เกิดเดยอะหรอกเราะฉั้นเราพยายามสะสมของเราไปมีสติมีสัมปชัญญะรู้ว่าตอนนี้ควรทําสมถตาตอนนี้ควรทํำมิปัสนาทําสมถตาเนี่ควรจะใช้อารมณ์อะไรทํำมิปัสนาควรจะใช้กรรมฐานตัวไหนใช้อารมณ์ตัวไหนเนี่ยตัวนี้เรียกสัมปชัญญะแล้วก็มีสติคอยระลึกรู้ นะอารมณ์รรลึกรู้จิตของเราไปเรื่อยๆจนกะทั้งมันเห็นใตรลักอันะอนี้เราก็จะเจริญได้ชีวิตเราก็จะดีขึ้นดีขึ้นแต่ถ้าวันๆนะเราไม่สนใจเราสะสมแต่กิเลสนะอย่างบางคนที่เล่าให้ฟังนะแกล้งหลอกคนอื่นทายจิตคนนู้นคนนี้หลอกคนโง่ก็พากันหลงนะหลง หาเงินหาทองอะไรก็ให้เขาอะไรเงี้ยบางคนเขก็ถ่าย น, นวันทายนี่นะหมิ่นหลายชนิดบางคนก็ทายเราว่าเจ้ากรรมนายเวรของเราคือคนนี้ให้ไปขอขมาเขาแล้วกรรมฐานจะดีขึ้นนะทําไมมันดีขึ้นได้เพราะเราได้ใช้ได้ตอบสนองความโง่ของเราแล้วพอเราไปขอขมาเขาเร า, เราก็สบายใจใช่ไหม เ, ออเราเนี่ย อาจารย์เราบอกแล้วคนนี้เป็นเจ้ากรรมนายเวรกับเราให้เราไปขอเข้ามาเพราะเราไปขอเข้ามาเราสบายใจพอสบายใจแล้วอะไรจะเกิดขึ้นสมาธิจะเกิดขึ้นไ ม, ไม่ใช่เพราะการขอเข้ามาเจ้ากรรมนายเวรแต่เป็นเพราะสบายใจเนี่ยสิ่งที่พระ เ, เจ้าสอนนะมันสมบูรณ์ด้เห็นด้วยผล น, นะเจ้ากรรมนายเวรของเราถ้าตอนนี้เกิด อยู่ในอเวจีอยางเง้เราจะไปขอขามาได้ยังไงมาเที่ยวโ ม, โมเมคนโน้นคนนี้อะไรเงั้นไปเราก็เชื่อแ้มันก็ทำมาหากินไปนะหลวงพ่อก็ไม่ได้ว่าอะไรหรอกเพียงแต่เตือนคนที่บอกว่าเป็นลูกศิษย์หลวงพ่ออย่าลืมสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนสิ่งที่เป็นเจ้ากรรมนายเวรของเรานะชาวพุทธเนี่ย คือสิ่งที่เรียกว่าชนะกรรมชนกกรรมกรร ม, กรรมที่ทําให้เราเกิดนี่แนละเก่งจเรียกว่าตัวเจ้ากรรมในเวรตัวจริงนะเจ้ากรรมในเวรทําให้เราเกิดมาหน้าตาอย่างเนี้ยนะมียีนที่กําหนดไว้ว่าพออายุถึงเท่าเนี้ยจะต้องเป็นโรคอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะนี่แหละตัวเจ้ากรรมในเวรนะแก้ได้ไหมแก้ไม่ได้ เราเราเป็นทาญาตของกรรมคือของเจ้ากรรมในเวรของเรานั้นแหละมันส่งผลให้เรามาเป็นอย่างนี้มันต้องเป็นแล้วชาวพุทธจะทำยังไงชาวพุทธก็คือเมื่อมีกรรมส่งผลให้เราเจอสถานการณ์ปัจจุบันอย่างนี้เราทำกรรมใหม่ที่ดีให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปอิทธิพลของกรรมใหม่นะี่มันจะลดอิทธิพลของกรรมเก่าที่ไม่ดีลงไป นี่คือหลักของชาวพูดนะไม่ใช่วิ่งเที่ยวขอเข้ามาคนโน้นขอเข้ามาคนนี้มันนันเซ น, นะจริงหรือเปล่าเขาไม่รู้แล้วทําไมเจ้าคำในเบญของเราเป็นคนทั้งนั้นเลยทําไมไม่เป็นผีนรกอะ่ะทําไมไม่เป็นเปรตเนี่ยไปขอเปรตตัวนี้ไม่เห็นมีเลยหเหมือนเรื่องระลึกชาติอะ่ะระลึกกันจริง้งจอกบางคนก็เป็นพระนาเรศวนอะไรเงี้ยล้วนแต่คนใหญ่คนโตทั้งนั้นอะ่ะระลึก ไม่เห็นมีระลึกเลยนะเคยเป็นหมายขี้เลื้อนอดข้าวตายอยู่ข้างๆวัดอย่าเงี้ยไม่มีใครระลึกนะระลึกทีไรใหญ่ทุกทีเลยเพราะอะไรระลึกอย่างนั้นมันสนองกิเลสนะกิเลสมันพาระลึกไปเราะฉะนั้นะอย่าไปงมงายอะไรสิ่งเหล่านี้นะเป็นชาวพุทธทั้งทีพยายามมีสติอยู่กับปัจจุบันนะนี่แหละของจริงที่ไม่หลอกหลวงนะใจเราเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายอันนี้จริงหรือไม่จริง จริงเห็นไหมไม่มีทางหลอกลวงเลยร่างกายเรามันมีความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดนะจริงไม่จริงเนี่ยมันไม่มีอะไรที่มบบกวางกั้นเอาไว้ได้เลยนะกับความจริงเหล่านี้ได้เพรนั้นธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่มีทางเถียงเลยนะธรรมะอะไรที่ดูกํากวมเนี่ยไม่ใช่ของพระพุทธเจ้านะที่กํากวมต้องอาศัยเชื่อคนโน้นเชื่อคนนีนะ้ท่านไม่ได้สอนให้เชื่อคนโน้นคนนี้ ขนาดตัวท่านเองเป็นพระพุทธเจ้าท่านบอกอย่าเบียบเชื่อว่าเราตาาคตเป็นคนบอกแล้วต้องเชื่อนะขนาดพระพุทธเจ้าท่านยังไม่ให้เชื่อท่านเลยท่านให้พิสูจน์ด้วยตัวเราเองแเราก็พร้อมที่จะไปเชื่อคนอื่นมันไม่ใช่ความฉลาดเลยไม่ใช่ชาวพุทธที่แท้จริงเลยนั้นเราค่อยๆดูนะเครื่องมือของเราคือสติและสัมปชัญญะสติเป็นตัวรู้ทันว่า มีอะไรเกิดขึ้นในกายมีอะไรเกิดขึ้นในใจสติตัวนี้ไม่ใช่สติธรรมดาแต่เป็นสติปัฏฐานนะสมชัญญาเป็นตัวปัญญาตัวที่รู้ว่าอะไรมีสาระแก่นสารอะไรสมควรแก่เรานะสมถะวิปัสสนาเนี่ยมีสาระแก่นสารแล้วอันไหนสมควรแก่เราเช่นหลวงพ่อเนี่ยสมถะเนี่ยอนาคานาสติสมควร น, นะจะทำวิปัสสนาเนี่ย เมื่อก่อนดูจิตเรานะดูไปเรื่อยๆต่อไปก็ดูได้หมดแหลนะทีแรกก็เริ่มต้นดูแดนหนึ่งไปก่อนเนี่ยเรารู้ตัวเราเองนวะินอยู่ชนรารู้ได้ตัวเองค่อยพอนาไปเห็นไตรลักษณไปตอนนี้ฟุ้งซ่านทําความสงบเข้ามาอนะไรยเงี้ยเดินไปเดินสองขาไปนะ ม, มีสมรรคาวิปัสสนาขาเดียวไปได้ไหมขาเดียวขาเดียวก็ไปได้ ผีกองกอยนะมีขาเดียวโดนด้งย่องย่ อ, อ, อ, องไปรือเดินวิปัสสนารวดไปเลยก็ทำได้แต่ลำบากหน่อยล้มลุกคลุกคลานหน่อยเพราะแต่ละคนก็มีทางของตัวเองนะไปดูเอาสะสมควรแก่เวลาแล้วเชิญใครจะถามหมายเลขสิบสองนะครับช่วยยืน ผมขอให้หลวงพ่อช่วยดูการปฏิบัติสมถะและวิปัสนาของผมเพื่อหลวงพ่อจะได้แนะนำการปฏิบัติที่ถูกต้องให้ผมได้ปรับปรุงและพัฒนาต่อไปครับทำสมถะให้หลวงพ่อดูซินั่งลงทำวิปัสนาซิสมถะได้ทำวิปัสาปนา เวลาเราทำวิปัสนาเรารู้สภาวะเนี่ยสิ่งที่ต้องระวังก็คือการที่จิตถลำลงไปจมอยู่กับสภาวะไประวังตัวนี้นะอย่างพอเราจะดูสภาวะเนี่ยจิตมันเคลื่อนเคลื่อนเคลื่อ น, เ ค, อนเคลื่อนเข้าไปไ่แช่อยู่ที่สภาวะนะมันจะไม่ใช่วิปัสนาจริงหรอกจิตมันลงไปแนบกับอารมณ์จิตมันต้องแยกกับอารมณ์ได้คือต้องแยกขันได้ โดยเฉพาะคันตัวหนึ้งก็คือตัวจิตนะต้องยากมาเป็นคนดูถ้าเห็นสภาวะทั้งหลายเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงแต่ถ้าเราดูแล้วจิตเราไหลลงไปจมลงไปอันนั้นกําลังของสมาธิชนิดตั้งมั่นยังไม่พอให้เรารู้ทันว่าตอนนี้จิตเคลื่อนไปแล้วพอเรารู้ทันว่าจิตเคลื่อนสมาธิชนิดตั้งมั่นจะเกิดขึ้นเอง เพราะั้นจิตเคลื่อนเรารู้จิตเคลื่อนเรารู้บ่อยๆสมาธิที่ตั้งมั่นก็จะเกิดเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วเราก็จะเห็นนะสภาวะทั้งหลายล้วนแต่ของถูกรู้ถูกดูสภาวะทั้งหลายล้วนแต่ไม่เที่ยงล้วนแต่ไม่ใช่ตัวเราอันนี้ตัววิปัสนานมันจะเห็นไม่ใช่คิดเอาฉนะั้นของคุณตรงสมาธิทาได้อยูนะ่แต่ตรงวิปัสนานเนี่ยจิตยังไม่ตั้งมั่น เวลารู้สภาวะแล้วมันยางไรลไป ห, หมายเลขสิบสามครับช่วงนี้เห็นกิเลสบ่อยขึ้นเห็นความยินดียินหลยมากขึ้นขอคำแนะนําด้วยครับจิตมันไม่เข้าทานนะตอนนี้จิตมันกว้างๆสบายออกไปข้างนอกรู้สึกเ่าไม่รู้สันหน้าเงี้ยรู้ไหมสันหน้าก็ไม่รู้ยังหน้ารู้ไหม ดูกายไล้รู้สึกกายไปเรื่อยๆเดี๋ยวไม่ได้เห็นจิตชัดอาศัยรู้กายก่อนพนอะจิตมีกำลังตั้งมั่นขึ้นมามเห็นจิตได้ชัดขึ้นตอนนี้จิตไม่ไ ม, ไม่ไม่มีสมาธิพอไม่ถึงฐานกระจายกว้างๆวางๆไปเพราะน้นรู้สึกในร่างกายพยัค์หน้าเรารู้สึกรู้สึกไปหายใจแล้วก็รู้สึกไปจำได้ไหมหมอ พยักนาเห็นไหมเมื่อกี้พยักนาเราหลงเพราะหลงไปไหนหลงไปคิดทาไมคิดพอฟังหลวงพ่อพูดฟังแล้วก็ต้องคิดเนี่ยฟังแล้วไม่คิดก็มไม่รู้เรื่องตอนนี้จิตมันหลงไปรู้สึกไหมเห็นะ ไ, ไหมพอดู ก, กายสักพักหนึ่งล้วก็เห็นจิตแล้วจำหลักตรงนี้ให้แม่นๆ น, นะดู ก, กายเรื่อยๆแล้วมันจะเห็นจิตชัดอันนี้ไม่ใช่หลวงพ่อสอนแล้ว หลวงปู่สุวัตท่านเล่ให้ฟังว่าหลวงปู่มั่นสอนท่านมาอย่างนี้หลวงพ่อก็ไม่ได้เก่งเ ร, เราหลวงพ่อจำครูบาอาจารย์มาสอนอีกทีหมายเลขสิบสี่ครับระหว่างวันใส่ใจกับกรรมฐานมากขึ้นช่วงนี้รู้สึกมีความไหวๆในกลางอกเยอะมากแต่ใจไม่เป็นกลางขอคำแนะนำจากหลวงพ่อด้วยค่ะภาวนาดีภาวนาถูก ไหวๆรู้ว่าไหวๆอย่าถลำลงไปอยู่กับมันไม่เป็นกลางรู้ว่าไม่เป็นกลางไม่ต้องอยากให้เป็นกลางถ้ามันอยากเป็นกลางรู้ว่าอยากนี่เรียกว่าเรารู้ทันตัวเองเป็นช็อตๆไปเลยตอนนี้จิตไหลไปคิดรู้ว่าจิตไหลไปคิดจิตเป็นยังไง ร, รู้ว่าเป็นอย่างงั้ น, นหลวงพ่อก็พูดเป็นตัวอย่างให้ฟังหรอก ไหลไปคิดหรือยังนะหัดดูอย่างนี้นะไหลไปคิดแล้วก็รู้นะพอรู้แล้วอย่าไปรอดูที่จิตนะกลับมาอยู่กรรมฐานของเรานะเห็นตัวนี้ไหวๆใช้ตัวนี้เป็นกรรมฐานก็ได้ถ้าเห็นตลอดนะเห็นตัวไหวๆนะแล้วจิตถลำลงไปที่ไหวๆก็รู้จิตหนีไปคิดก็รู้อย่างนี้ใช้ได้นะจะเจริญปัญญาได้จะเห็นว่าจิตนี้ไม่เที่ยง เดี๋ยวก็เป็นจิตดูเดี๋ยวก็เป็นจิตฟังเดี๋ยวเป็นจิตดมกลิน่นเดี๋ยวเป็นจิตลิ้มรสเดี๋ยวเป็นจิตรูส้สัมผัสทางกายเดี๋ยวเป็นจิตหลงไปคิดทางใจหรือเป็นจิตหลงไปเพ่งทางใจอย่างตอนนี้จิตหนีไปคิดหรื อ, อยังดูออกไหมเออดูออกเราก็รู้ทันพยักหน้าเรารู้ไหมนะเมื่อกี้ลืมใช่ไหมเพราะว่าอะไรเพราะเรากาลังสังเกตจิตเราอยู่ ธรรมชาติของจิตจะรู้อารมณ์ได้ครั้งแล้วอย่างเดียวเรากวลังดูจิตอยู่เราจะไม่ดูกายหรอกนะจะไม่เห็นกายอย่างตอนนี้จิตนี้ไปคิดรือยางดูอย่างนี้นะจิตมันไหลไปคิดเราก็รู้เอารู้บ่อยๆนะ <Okay. S 3> หมายเลขสามสิบสามครับส่งการบ้านในรอบหลายปีหลงว่าได้หลักการปฏิบัติแล้ว ทำให้ประมาทมากไม่จริงจังอะไร<อ>นใหนลงว่าได้หลักการปฏิบัติแล้วทำให้ประมาทมากไม่จริงจังออขอหลักที่ทำให้ประมาทไม่ประมาทด้วยครับถ้าไม่ประมาทจริงๆนะต้องพิจารณาว่าชีวิตเราเนี่ยมีแต่ความไม่มั่นคงนะความทุกข์มาถึงเราเมื่อไรก็ได้ ความเจ็บไข้มาถึงเราเมื่อไหร่ก็ได้ความตายมาถึงเราเมื่อไหร่ก็ได้ความพลัากจากสิ่งที่รักที่พอใจจะมาถึงเราเมื่อไหร่ก็ได้พิจนาอย่างนี้เรื่อยๆคิดพิจนาไปเรื่อยๆใจมันจะไม่ประมาทมันจะขนไกวในการปฏิบัติมากขึ้นพิจนาไปยังจะพิจนาความแก่อย่างนี้ยังหนุ่มอยู่พิจนายากเองพิจนาความเจ็บไข้เราพร้อมจะเจ็บไข้เมื่อไหร่ก็ได้ เดินไปเดินมานะเผลอไปเชียร์มวยเขาเลยติดโควิดมาแล้ว อ, อ่างเงี้ยมันไม่แน่ทำอะไรมันก็เต็มด้วยคาว่าไม่แน่ไม่แน่ชีวิตเนี้ยเต็มไปได้วยความไม่แน่ความแก่ความเจ็บความตายความพลัดพรากเนะี่จะมาถึงเราเมื่อไหร่ก็ได้ดูลงไปอย่างนี้เรื่อยๆมันจะเลิกประมาทที่มันประมาทเพราะมันคิดว่ายังไม่แก่แล้ว ยังไม่เจ็บเรายังไม่ตายหรอกยังไม่พลัดพลากจากคนที่เรารักจากสิ่งที่เรารักหรอกไม่นคอยคิดอย่างนี้มประมาทงา้นจะแก่ประมาทก็สอนมันไปเรื่อยๆแล้วสังเกตน่ะคนรอบๆตัวเราในโลกนั้นเขาก็เต็มไปด้วยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานะเต็มไปด้วยความแก่ความเจ็บความตายความพลัดพลากถ้าแต่เด็กจนกระทั่งโตมา ถ, ถึงตอนเนี้ย ก็อายุเกินยี่สิบแล้วสิใช่ไหมเออเคยพลาดพลาดไหมเห็นไหมมันมีนะแล้ววันข้างหน้าจะมีอีกไหมไม่แน่เห็นไมเรายังไม่รู้แต่อดีตเนี่ยเราเห็นแล้วเราเคยพลาดพลาดมาแล้วเราเคยทุกมาแล้วเราก็สอนใจวันข้างหน้าเราจะเจออีกความพลาดพลาดมาเมื่อไหร่ก็ได้ สอนตัวเองไปใจมันไม่ประมาทนะมันจะขยันภาวนาจะรอแก่แล้วภาวนาไม่ได้นะบางคนมันไม่มีโอกาสแก่มตายซะก่อนบางคนตั้งใจว่าอายุห้าสิบแล้วจะภาวนาตอนนี้จะเรียนหลักเอาไว้ก่อนที่คิดอย่างนั้นก็เพราะกามนะคิดว่าแก่อายุห้าสิบแก่แล้วพอจะสู้กาม่หมยแล้วจะเลิกกามแล้ว ยังหนุ่มยังสาวอยู่ยังเสียดายกรามยังไม่ยอมวางอะไรยเงี้ยยังไม่อยากปฏิบัติกลัวลำบากนะบอกให้อย่างหนึ่งพอแก่แล้วเนี่ยภาวนายากนะยังหนุ่มยังสาวเนี่ยรีบภาวนาเขา้าหมายเลขสี่สิบเจ็ดครับปฏิบัติตาม คำสอนของหลวงพ่อทุกวันค่ะทำในรูปแบบทุกวันระหว่างวันมีสติรู้บ้างหลงบ้างอขอหลวงพ่อเมตตาช่วยชีย้ทางในการเพิ่มสมาธิที่เหมาะสมแก่ลูกด้วยค่ะร้องฟงสั้นเก่งนั่ในใจมันช่างฟงน่นอยู่กับกรรมฐานอะไรสักอย่างนะหายใจเข้าพูดออกตัวอะไรก็ได้ พวกฟงสร้างก็ใช้ได้อนาปนาสติอะไรพวกเนี้ยฝึกไปเรื่อยๆไม่ได้ฝึกเอาสงบนะหใาใจเข้าพูดออกโทแล้วพอจิตมันหนีไปก็ค่อยรู้เอารู้บ่อยๆสมาธิมันจะเพิ่มขึ้นถามได้ตรงประเด็นนะถามว่าจะทําสมาธิเพิ่มขึ้นได้ยังไงเพราะจริงๆแล้วใจเราฟงสร้างถามได้ตรงกับ ปัญหาของเราน่เราก็ไปทำนะหายใจไปพุโทโธไปไม่ได้มุ่งที่ความสงบมันสงบของมันเองถ้าอยากสงบมันจะไม่สงบหมายเลขหกสิบหกครับมีปกติฝึกในรูปแบบเป็นประจำ โดยการนั่งสมาธิวันละประมาณ45นาทีระหว่างวันก็หมั่นรู้กายรู้ใจเนืองๆในบางครั้งจะเจอว่ามีความฟุ้งซ่านมีความกังวลใจในเรื่องต่างๆเพิ่งมีโอกาสได้มาส่งการบ้านหลวงพ่อเป็นครั้งแรก อ, อยากให้หลวงพ่อช่วยชี้แนะการปฏิบัติค่ะฟุ้งซ่านก็รู้ว่าฟุ้งซ่านไปนะแต่จุดสําคัญคือรู้ปัจจุบันรู้จิตใจของเราที่เป็นปัจจุบัน ยางขณะนี้ใจเราแน่นๆนะ่ใจเราหนักหนักแน่นๆอ่อะไรเงี้ยเราตื่นเต้นเราก็กดเอาไวนะ้เราก็รู้ทันงั้นการปฏิบัติเนี่ยรู้ทันจิตใจของเราที่เป็นปัจจุบันไปเรื่อยๆนะดีก็ได้ร้ายก็ได้สุข ก, ก็ได้ทุกข์ก็ได้สงบก็ได้ฟุ้งซ่านก็ได้อะไรก็ได้เรารู้อย่างที่มันกำลังเป็นอยู่นะตามรู้ตามดูไปอย่างตอนเนี้ย ใจหนี้ไปคิดหรือเปล่ารู้ไหมเนี่ใจมันหนีไปคิดแล้วเราก็รู้นี่หลวงพ่อกำลังฝึกพูดอยู่รู้ไหมแทนที่หลวงพ่อจะบอกว่าใจนี้ไปคิดแล้วหลวงพ่อก็เปลี่ยนเป็นใจนี้ไปคิดหรือเปล่านะใจนี้วิคิดหรื อ, อยังก็เปลี่ยนภาษาซะหน่อยให้ไพเราะนะแล้วตอนนี้ใจหนี้ไปคิดหรื อ, อยังเอออย่างนั้นแหละ พยายามหน้าก็รู้สึกนะยางไปสมาธิเรายังไม่พอใจมันยังฟุ้งอยู่หมายเลขเจ็ดสิบแปดครับสมาธิไม่ดีฟุ้งซ่าน ง, ง่ายหลับแล้วฟุ้งซ่านมากและรู้สึกว่าหลับแล้วจิตอยู่ข้างนอกเห็นกิเลสแล้วชอบคิดวิเคราะห์อขอหลวงพ่อเมตตาใ ห, ให้คำแนะนำด้วยครับ เวลามันคิดมิเคราะห์นะก็รู้ทันว่ามันกำลังฟุ้งซ่านอยู่มันคือความฟาุ้งซ่านวิปัสสนาคือการเห็นเห็นกายอย่างที่กายเป็นเห็นใจอย่างที่ใจเป็นนะแต่ถ้าเราไปเห็นสภาวะแล้วเราก็คิดต่อมันเป็นอย่างนี้มันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์อะไรเงี้ยอันนี้คิดเอาฟุ้งซ่านะแล้วก็พยายามให้จิตใจอยู่กันนกตัวทำกรรมฐานไว้สอย่างนึ่ จะหายใจก็ได้อะไรก็ได้หายใจแล้วก็บริกรรมไปพุโทโธหายใจเข้าพุทออบโทฝึกเรื่อยๆไปแล้วเวลาจิตมันหลงเราจะได้รู้ได้เร็วขึ้นเร็วขึ้นเราหายใจไปพุโทโธไปไม่ใช่เพื่อที่จะไม่ให้หลงหลงก็ได้แต่หลงแล้วรู้ไวหน่อยนะเท่านั้นแหละอย่างตอนนี้นี่คนจีนใช่ไหม มันตอนนี้พูดยากว่ะมันดีเลยทมทั้งสี่สิบวินาทีฮ ะ, ะแปลสดแล้วอ เ, เอออย่างนี้ค่อยมันหน่อย <c oughs> เวลาใจเรากระชอบไปก็ชอบมานะกระโดดไปกระโดดมาเนี่ยเราค่อยรว้ไปเรื่อยๆ <นะ S 1> พุดโธพุดโธไปนะ ใ, นใจมันกระโดดไปกระโดดมาก็รู้รู้แล้วก็ไม่เป็กเนี่ยกขกลับมาพูดโธต่ออย่างเงี้ย <นะ S 2> เราจะไม่บังคับจิตตัวเอง จิตเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นนี้เราจะรู้จิตได้ดีโดยไม่หลงยาวเราก็ต้องมีเครื่องอยู่อยู่กับกรรมฐานของเราอยู่กับพุทโธอยู่กับลมหายใจอะไรอย่างตอนเนี้ยจิตลงไปคิดหรื อ, อยังนะี่ดูอย่างเนี้ยนะใช้ได้ปัญหาใหญ่ตอนนี้ก็คือจิตยังฟุ้งซ่านเพราะงั้นต้องมีกรรมฐานแล้วจิตเคลื่อนไปเรารู้จิตเคลื่อนเรารูฝึกบ่อย ไม่ใช่ทำกรรมฐานเราห้ามจิตเคลื่อนนะถ้าห้ามจิตเคลื่อนใจจะเครียดเครียดอันนั้นใช้ไม่ได้เอาแค่เคลื่อนเรารู้เคลื่อนเรารู้แค่นี้พอหมายเลขเจ็ดสิบเก้าคนสุดท้ายครับเมื่อหลับตาจิตจะไปเพ่งจ้องที่ศีสษะบ่อยๆเพราะทำให้เกิดความสุข จิตติดความสุขนี้และไม่อยากให้จิตเคลื่อนไปที่อื่นอันนี้ต้องแก้ไขหรือไม่และขอหลวงพ่อเมตตาตรวจสอบความก้าวหน้าของการภาวนาด้วยครับก็ก้าวหน้านะจิตใจน่าจะมีกำลังมากขึ้นเห็นไหมพูดไทยพราะนะ <laughs> จิตใจดูมันมีเรื่องมีแรงมากขึ้นนะใช้ได้ เขาถามว่าอะไรนะอีเลจิตจะไปเพ่งจ้องที่สีสาบบ่อยๆทำให้เกิดความสุขจิตติดความสุขนี้และมไม่อยากเลื่อนไปที่อื่นครับนะจิตมันติดในความสุขมันมีความสุขอันแรกมีความสุขรู้ว่ามีความสุขตัวที่หนึ่งมีความสุขรู้ว่ามีความสุขตัวที่สองพอใจในความสุขติดใจในความสุขรู้ว่าพอใจรู้ว่าติดใจ แล้วดูไปที่ตัวความพอใจเปลี่ยนจะดูที่ตัวสุขนะมาดูที่ตัวพอใจในความสุขเราจะเห็นว่าความพอใจนี่มันไม่เที่ยงนะดูอย่างนี้นะอย่าไปดูที่ตัวความสุขมีความสุขแล้วมันพอใจดูที่ตัวพอใจรู้ว่าตัวพอใจเกิดแ ล, นะแล้วเราจะเห็นว่าตัวพอใจตั้งอยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับไปจิตเป็นกลาง จิตเป็นกลางแล้วเราจะรู้ความสุขต่อก็ได้หรือจิตจะไปรู้อย่างอื่นก็ได้พอเราเป็นกลางแล้วเราไม่ติดในตัวสุขใจเราก็จะไม่โน้มเพราะไปหามันเฝ้ามันไว้ทั้งวันไม่ขึ้นหัวทั้งวันจําได้ไมั้ยแรกมีความสุขหรือว่ามีความสุขอันที่สองพอใจในความสุขรู้ว่าพอใจทีแรกเราดูที่ความสุข นะพอเราเกิดความพอใจในความสุขเราเปลี่ยนจากดูความสุขมาเป็นดูความพอใจนะดูที่ความพอใจรู้เฉยๆความพอใจก็เกิดแล้วก็ดับนะใจเราก็จะเป็นกลางกว่าความสุขเนี่ยค่อยๆฝึกไปต่อแปมนจะไม่ติดตัวสุขหรอกแล้พอภาวนามากขึ้นมากขึ้นมากกว่านี้นะเราจะรู้ว่าตัวสุขไม่มีอย่างมันมีแต่ตัวทุกข์ไอ้ความสุขก็เป็นความทุกข์อย่างหนึ่ง ความสุขเกิดขึ้นนะเป็นภาระของจิตใจเราเรนะาจะเห็นนตัวสุขนะมันพึ่งพาอาศัยไม่ได้หรอกมันเป็นตัวทุกข์แนละ้วค่อยๆฝึกนะเป็นขั้นๆไปขั้นนี้แค่ว่ามีความสุขรู้ว่ามีความสุขนะพอใจในความสุขรู้ว่าพอใจนะความพอใจก็จะเกิดดับให้เราดูตุกอย่างนี้ก่อนนะแล้วค่อยมาส่งกันบ้านเพิ่มห ม, ห, หมดแล้วเรือหมดแล้วเชิน อย่าลืมเช็คเอานะแล้วหลวงพ่อก็ไม่ใช่ว่าไล่พวกเราต้องกลับทันทีนะหลวงพ่อแค่บอกว่าพร้อมจะกลับได้เมื่อไหร่ก็กลับเรอะมารวมกันอยู่ในวัดมันใกล้ชิดกันนะพยายามฝึกตัวเองให้เคยชินที่จะเว้นระยะไว้พยายามฝึก ตัวเองให้เคยชินที่จะไม่เอามือไปป้ายพื้นป้ายอะไรฝึกตัวเองให้ดีวันข้างหน้าเราอาจจะจำเป็นต้องใช้นะถ้าโรคมันระบาดขึ้นมาอีกเพราะในโลกนี้ประเทศอื่นๆมันระบาดหนัวเนียวไปหมดแล้วนะของเรายัางดีนะยังไม่ระบาดรอบสองขึ้นมาก็ต้องระวังฝึกตัวเองให้ชินที่จะรักษาตัวเองให้ได้ เ, เชิญกลับบ้าน